รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นันทนะสูตร 2. นันทติสูตร 3. นัติปุตตะสมะสูตร 4. คัติยะสูตร 5. สนะมานะสูตร 6. นิธาตันติสูตร 7. ทุกระสูตร 8. หิริสูตร 9. กกุติกาสูตร ส0สมิธิสูตร 3. ส, สัติวักหมวดว่าด้วยหอก 1. สัตติสูตร ว, ว่าด้วยหอกเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถี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 เหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นสติสูตรที่หนึ่งจบสองภูสติสูตร ว่าด้วยการถูกต้องเทวดากล่าวว่าวิบากกรรมย่อมไม่ถูกต้องบุคคลผู้ไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิบากกรรมจึงถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องผู้ประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุดผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลสัตไปทวนลมแล้วฉะนั้นภูสติสูตรที่สองจบ ชะตาสูตรว่าด้วยความยุ่งเทวดาทูลถามว่ามูสัตยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงน่งนางแล้วฆ่าแต่พระโคโดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภายในสังสารวัตร ดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกํำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปปัจสัญญาก็ดี ดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นชตาสูตรที่สจบ mm. 4. มโนนิวารณสูตรว่าด้วยการห้ามใจ เทวดากราบทูลว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสํารวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆมโนนิวารณสูตรที่สี่จบหอาอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันตเทวดากล่าวว่า ภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ากิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ากิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่า เราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคําพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมติที่เขาพูดกันเทวดานั้นทูลถามว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทํากิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นยังติดมานะอยู่หรือหนอ จึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิเลสเครื่องผูกทั้งหลายไม่มีแก่ภิกษุผู้ละมานะได้แล้วมานะและกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงอันภิกษุนั้นกาจัดได้แล้วภิกษุผู้มีปัญญาดีล่วงพ้นความถือตัวได้แล้วภิกษุนั้นกล่าวว่า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 คือดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่ง 4. พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมปัจโจตสูตที่6จบ โสรสูตรว่าด้วยความแล่นไปเทวดาทูลถามว่าความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัตตะไม่หมุนวนที่ไหนน้ําและรูปดับไม่เหลือที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดินน้ําไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดที่นี้วัตตะไม่หมุนวนที่นี้ นามและรูปดับไม่เหลือที่นี้ซอร์สูตรที่เจ็ดจบ 8. มหาธนสูตรว่าด้วยผู้มีทรัพย์มากเทวดาทูลถามว่า กษัตริย์ทั้งหลายมีทรัพย์มากมีโพค้ามากทั้งมีแว่นแคว้นไม่รู้จักพอในกลมทั้งหลายต่างแข่งขันกันและกันเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นพากันขนขวายวิ่งไปตามกระแสแห่งภพบุคคลเหล่านี้เล่าไม่มีความขนขควยและความโกรธและตัญหาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลทั้งหลายสละเรือนสละลูก และสละสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักบวชกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอระหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีความขนไหวยในโลกมหัธนสูตรที่8จบ 9. จะตุจักกระสูตรว่าด้วยสรีระยนสีล้อเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าสรีระยนสีล้อมีประตูก้าประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสรีระนั้นจะแล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เพราะตัดชนะเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวซามและเพราะถอนตันหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยนต์นั้นจักเล่นไปได้อย่างนี้จตุจักกสูรที่9ก้าจบ เอณิชังขสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระชงเหมือนเนื้อสายเทวดากล่าวว่าพวกข้าพระองค์พากันมาเฝ้าขอทูลถามพระองค์ผู้มีพระชงเหมือนเนื้อสายมีพระวรกายสมส่วนมีความเพียรชั้นพระกรยาหาน้อยไม่มีความโลเลเป็นเหมือนราชสีและช้างเที่ยวไปตามลำพัง ไม่มีความห่วงในกามทั้งหลายว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามคุณหมีใจเป็นที่หบัณฑิตประกาศไว้ชัดแล้วในโลกบุคคลละความพอใจในานามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้เอณิชังคสูตรที่สิจบสัตติวัคที่สามจบ พระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สติสูตร 2. พุสติสูตร 3. ชตาสูตร 4. มโนโนิวารณสูตร 5. อาอรหันตสูตร 6. ปัชโชตสูตร 7. สอรสูตร 8. มหาธนะสูตร9จะตุจักกะสูตรสิบ เอนิชังคสูตร 4. สตุลละปากายิกวักหมวดว่าด้วยพวกเทวดาสตุลละปากายิกา 1. สัพพิสูตรว่าด้วยสัตว์บุรุษ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 ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์บุรุษเท่านั้นควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลรู้แจ้งสัตธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ํา ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์ปรุษเท่านั้นควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์ประหุษบุคคลรู้แจ้งสัตรธรรมของพวกสัตว์ปรุษแล้วย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาจากคนอันพานอื่นไม่ลำดับนั้น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 บุคคลควรสมาคมกับผู้สัตว์บรุษเท่านั้นควรทําความสนิทสนมกับผู้สัตว์บรุษบุคคลรู้แจ้งสัตธรรมของผู้สัตว์บรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในท่้ำกลางแห่งญาติลาดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับผู้สัตว์บรุษเท่านั้นควร e ทําความสนิทสนมกับผู้สัตว์บรุษ สัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของผู้สัตว์บุรุษแล้วย่อมไปสู่สุคติลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับผู้สัตว์บุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับผู้สัตว์บุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของผู้สัตบุรุษแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปลำดับนั้น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 บุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถานี้แล้วเทวดาเหล่านั้นมีใจยินดีถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นนั่นเองสัพพิสูตรที่หนึ่งจบ 2. มัชริสูตรว่าด้วยคนตรีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิเนกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปะกายิกาจำนวนมากมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเพราะความตระหนีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า คนตรนีกลัวสิ่งใดแล้วไม่ให้ทานสิ่งนั้นนั่นเองเป็นภัยแก่เขาผู้ไม่ให้ความหิวและความกระหายที่คนตรนีกลัวย่อมถูกต้องเขานั่นเองซึ่งเป็นคนเขาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นบุคคลควรกาจัดความตรนี่ครอบเมือมนถินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าลำดับนั้น เทวดาอีกองหนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้เหมือนคนเดินทางไกลแบ่งของให้เพื่อนร่วมทางเมื่อคนเหล่าอื่นตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมเก่าแก่คนพวกหนึ่งเมื่อมีของน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้ ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพวกคนพานเมื่อจะให้ทานก็ให้ยากเมื่อจะทำงานก็ทำยากพวกอสัตว์บุรุษย่อมไม่ทาตามธรรมของสัตว์บุรุษเพราะธรรมของสัตว์บุรุษดาเนินตามได้แสนยากฉะนั้น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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเทวดานั้นด้วยคาถาว่าบุคคลพวกหนึ่งดำรงอยู่ในความไม่เหมาะสมทาร้ายเขาฆ่าเขาหรือทำให้เขาเศร้าโศกแล้วจึงให้ทานทักษิณานั้นจัดเป็นทักษิณาอันมีหน้า น, านองด้วยน้ำตาเป็นไปด้วยอาชญาจึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูป การบูชาของบรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเซียวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างนี้มัชริสูตรที่สองจบสามสาธุสูตรว่าด้วย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 ได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้มือของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้เพราะความตระหนีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้น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 เทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีทานที่บุคคลเลือกให้ก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่ง ความสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทำบาปเพราะคำติเตียนจากผู้อื่นบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนกลัวบาปแต่ไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปนั้นสัตว์ปรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะกลัวบาปอย่างแท้จริงลำดับนั้น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 ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในหมู่มนุษย์กามที่น่าใคร่ซึ่งคนเกาะเกี่ยวมัวเมาอยู่จนไม่บรรลุนิพพานอันเป็นเหตุไม่หวนกลับมาสู่แดนมัจจุอีกกามนั้นจะชื่อว่าเที่ยงแทหามีไม่ความลาบากเกิดจากฉันทะ ทุกเกิดจากฉันทะเพราะกำจัดฉันทะได้จึงกำจัดความลำบากได้เพราะกำจัดความลำบากได้จึงกำจัดทุกได้อารมณ์อันงามทั้งหลายในโลกยังไม่จัดเป็นกามความกำหนัดที่เกิดจากความดำริเป็นกามของบุรุษอารมณ์อันงามทั้งหลายมีอยู่ในโลกอย่างนั้นเองฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลาย จึงกําจัดฉันทะในอารมณ์เหล่านั้นบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างความทุกข์ย่อมไม่รุมเราคนนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลภิกษุละบัญญัติแล้วไม่เข้าถึงวิมานตัดตัณหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้ก็ดี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 ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อนรชนผู้หลุดพ้นอย่างนั้นนอบน้อมภิกษ <e or ุนั้นอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นบัณฑิตควรสรรเสริญหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุโมคราชเทวดาและมนุษย์แม้เหล่านั้นบัณฑิตควรสรรเสริญเทวดาและมนุษย์เหล่าใดนอบน้อมภิกษุผู้หลุดพ้นอย่างนั้นเทวดาและมนุษย์แม้เหล่านั้นรู้ธรรมแล้ว และวิจิกิจชาได้เป็นผู้ข้ามพ้นธรรมเป็นเครื่องข้องได้นสันติสูตรที่สจบ 5. อุชาณสันยิสูตรว่าด้วย พวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษจํานวนมากมีวันะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ยืนอยู่ในอากาศเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวคาถานี้ในสำนนกของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกลับประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นชื่อว่าลวงเขาบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพรานนกลวงจับนกฉะนั้นความจริงบุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้น ไม่ทำกรรมใดจึงไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลผู้ไม่ทำดีแต่พูดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครใครไม่อาจดำเนินปฏิปธานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิษย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมานด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้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 เทวดาเหล่านั้นผู้เพ่งโทษโดยประมาณยิ่งกลับขึ้นไปบนอากาศเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มี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 ไม่มีโทษไม่มีความผิดพระตถาคตรพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลพระตถาคตรพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวร น, นั้น จึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายอุชานะสัญญิสูตรที่หจบหกศัทธาสูตรว่าด้วยศัทธา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 เทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนของบุรุษหากว่าความไม่มีศรัท ธ, ธาไม่ตั้งอยู่เพราะเหตุนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาอันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้น เทวดาอีกองหนึ่งได้กล่าวคถ า, าเหล่านี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวลวงสังโย์ได้หมดทุกอย่างเพราะว่ากิเลสเป็นเครื่งองข้องย่อมไม่รุมเร้าบุคคลนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนผ่านมีปัญญาซาม